จเจริญพ น, นท่านผู้มีจิตสัทธามีความเลื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12คุมภพาพัน์พุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้การมาวัดก็เปินเหมือนกับการไปที่ร้านขายเพชรขายทองเพื่อไปซื้อสิ่งที่มีคุณค่าพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนร้านขายเพชรขายทองขายของที่มีคุณค่าแต่ของที่พระพุทธศาสนาขายนี้ มีคนค่ายิ่ยงกว่าเพชรเน้นจินดาเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเพชรเน้นจินดาเงินทองต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้คือไม่สามารถปกป้องจิตใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้มีเพชรมีพลอย มีเงินมีทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปได้แต่เพชรเพ ช, ชพรพลอยเพชรนินจินดา<ม>เงินทองของพระพุทธศาสาานานี้สามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆสามารถป้องกันความทุกข์ใจต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เพตนินจินดาเหล่านี้เราเรียกว่าพระรัตนตรัยรัตน์แปลว่าเพชรเป็นแก้ววิเศษแก้วสารพัดนึกวิเศษกว่าแก้วธรรมดาแก้วสารพัด น, นี้จะทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนา พระพุทธพระรันตนไตนี้ก็มีอยู่สามองค์ด้วยกันเป็นที่เหมือนกันคือทาหน้าที่แทนกันได้เป็นที่พึ่งของพวกเราได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็เราก็มีที่พึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็มีพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอน เราก็มีพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งได้เพราะท่านนเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะยังไม่ได้พบได้เห็นกัน ยังไม่ได้สัมผัสกับพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรารู้จักนี้ยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เหมือนกับยารักษาโรคที่เรายังไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกาย <c oughs> ก็ยังไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายได้ ยาที่มีอยู่ตามร้านตามโรงพยาบาลจะวิเศษขนาดไหนจะดีขนาดไหนถ้าเราไม่เอามารับประทานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันในตอนนี้ยังเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจเรายังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเรา พระพุทธเจ้าเราก็รู้จักรู้จักประวัติของพระพุทธเจ้าเคยไปกราบที่ประเทศอินเดียตามสังเวชนีสถานทั้งสี่ mm hmm. เราเคยไปกราบแล้วไปพบที่ปทับของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดมีพระพุทธรูปห้อยคอ mm hmm. แต่พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักันนี้ ยังไม่สามารถปกป้องความทุกข์ต่างๆหรือดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เช่ mm hmm. <etti> นเดียวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เราได้อ่านได้ฟังกันก็ยังเป็นพระธรรมคำสอนที่อยู่ภายนอกใจของเราเรายังไม่สามารถ เอาพระธรรมคาสอนเหล่านี้มาดับความทุกข์ใจของเราได้เช่น mm hmm. เดียวกับพระอริยสงสาวก ค, คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนที่เราไปกราบไหว้ไปรับโอวาทไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านท่านก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะว่า ท่านเป็นเหมือนยาที่เรายังไม่ได้รับประทานถ้าเราอยากจะรักษาโรคของใจเราก็ต้องเอายาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเราดังนั้นนี่คือการการสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของเรา ด้วยการศึกษาพระพุทธประวัติพระธรรมคำสอนและพระประวัติของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรและท่านสั่งสอนให้พวกเราดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้ปราศ จ, จากความทุกข์ ปราศจากความวุ่นวายใจต่างๆปราศจากความเศร้าโศกเสียใจปราศจากความวิตกวาดกลัวต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกกรดีท่านได้พบทางที่พาให้ท่านได้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆไม่มีความทุกข์อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ จะสามารถเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้เลยเพราะท่านมีเกราะคุ้มครองใจเหมือนกับสมัยนี้เขามีเกราะไว้ใส่เสื้อเกราะเพื่อป้องกันกระสุนเวลาถูกยิงกระสุนก็ไม่สามารถทะลุเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเกราะเสื้อเกราะคอยป้องกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ ก็เป็นเหมือนกราะคุ้มรองใจของพวกเราถ้าพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราจะไม่มีความทุกข์เราจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆเพราะความทุกข์จะไม่สามารถเข้าไปถึงใจของพวกเราได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างเกราะคุ้มใจคุ้มภัยคุ้มความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ํามาทําลายจิตใจของพวกเราด้วยการศึกษาการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกศึกษาคําสั่งคําสอนของท่านที่สอนให้พวกเราสร้างเกาะคุ้มภัยให้กับจิตใจของพวกเราคําสอนของท่านนี่แหละเป็นการ เป็นเหมือนกับยาหรือเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองใจของพวกเราแล้วเราต้องรับยานี้มารับประทานกันด้วยการเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็เป็นเหมือนหมอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราหมอก็จะมอบยาให้กับเราแล้วหมอก็บอกว่า ให้กินยานี้เวลานั้นเวลานี้ถ้ากินตามที่หมอสั่งเดี๋ยวโยครคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหายไปความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราที่มีอยู่กันในขณะนี้จะหายไปถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัตินี้เป็นการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจของพวกเรานั่นเอง เพื่อมาทำลายความทุกข์ใจต่างๆและมาป้องกันความทุกข์ใจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาดังนั้นการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอริยสงสาวกและการศึกษาพระธรรมคำสอนของท่านเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่ศึกษา เราจะไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาความทุกข์ใจของเราให้หายไปได้เพราะวิธีการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารวมเป็นวิธีของการกำจัดความทุกข์เป็นวิธีของการป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้าสู่ไปในสู่ไปในใจของท่าน แล้วท่านก็เอาวิธีการที่ท่านได้ดำเนินนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านเป็นบุคคลที่ต่างจากพวกเราต่างตรงที่ท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเราก่อนที่ท่านจะไม่มีความทุกข์ท่านเป็นเหมือนพวกเราท่านก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราแต่ท่านเป็นคนที่ มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปท่านก็เลยส่อแสวงหาวิธีการต่างๆตอนต้นก็ไปศึกษากับบุคคลต่างๆที่พอจะรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆแต่บุคคลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปศึกษาก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ ต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบกำจัดได้เพียงบางเวลาบางครั้งเช่นในสมัยพระพุทธการจะมีครูอาจารย์ต่างๆสอนวิธีทำบุญทำทานวิธีรักษาศีลและวิธีนั่งสมาธิกันวิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงไป และให้ให้นั ง, งับไปเป็นพรักๆเป็นคราวๆแต่ยังไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ภายในใจนี้ให้หมดไปได้อย่างถาวรเวลาที่เขามีความทุกข์ใจเขาก็ทำบุญกันรักษาศีลกันหรือนั่งสมาธิกันเวลานั่งสมาธิใจสงบ ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมารับลูกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ให้หายไปอย่างเด็ดขาดได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ จนได้สมาธิแล้วก็ยังทรงเห็นว่ายังไม่พอเพียงต่อการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างราบคาบพระองค์ก็เลยต้องไปแสวงศึกษาคนา้นคว้าด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่สักระยะหนึ่งจนในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีกำจัดความทุกข์ได้อย่างราบคาบอย่างถาวร พราะพระองค์ได้ทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเกิดจากอะไรทั้งๆที่มีอยู่ในใจของเราเราเป็นคนสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ไม่รู้แต่หลังจากที่ทรง คน้นคว้าทรงศึกษาในที่สุดก็ทงค้นพบว่าความทุกข์ในใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองจากความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจเราทุกข์กันแต่เราเกับคิดว่าความอยากนี้ทำให้พวกเราสุขกันเพราะถ้าเราไม่อยากมีความสุขเราก็จะไม่ไปหาความสุขกันแต่ความสุขที่พวกเราไปหากันนั้น มันเป็นความสุขปลอมมันไม่ได้เป็นความสุขแท้มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายในความสุขต่างๆที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันเป็นความสุขปลอมเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมน้าตาลเวลาเราอมเข้าไปเราเราคิดว่ามันจะหวานไปตลอดแต่มันหวานเดียวเดียวเพราะมันเป็นผิวบางๆเคลือบน้ำตาลอยู่พอน้ำตาลละลายหมดไปเราก็ต้องสัมผัสกับรสของความขมฉันใดสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันก็เป็นความสุขแบบเคลือบ ยาขมนี่เองความสุขเคลือบความทุกข์เวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาเราก็มีความสุขกันแต่พอสิ่งที่เราได้มามันหายไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้มันเป็นแบบนี้เพราะธรรมชาติของมันมันไม่ได้เป็นของจีรามยั่งยืน ไม่ได้เป็นของถาวรเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกล่นรถโพธิภพชนิดต่างๆที่เรามาสรรหากันมาครอบครองกันไม่ช้าก็แล็วมันก็จะต้องจากเราไปหรือไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือ มาครอบครองสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปพอร่างกายจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาได้มาเพื่อให้ความสุขกับเราก็จะหายไปหมดแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ เห็นว่าเวลาเราอยากได้สิ่งเหล่านี้พอเราได้มาเราก็มีความสุขกันแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปนี่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้คนพบความจริงอันนี้ว่าการทําตามความอยากนั้นไม่ได้นำพาไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์กันการที่จะมีความสุขก็คือการที่ระนับความอยาก ทำใจให้นิ่งให้สงบเหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิเวลาเรานั่งสมาธินี้เราหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอเวลาความอยากไม่มีใจเราจะเบาจะมีความสุขแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาความเบาอกเบาใจก็หายไป ความหนักอกหนักใจก็ปรากฏขึ้นมาความกวนกะวายกระสับกะส่ายก็ปรากฏขึ้นมาแต่เราไม่สังเกตกันเราไม่มองกันและเราไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากกันเราก็เลยไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้คือการหยุดความอยากการไม่ทำตามความอยากกันอันนี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วได้ทรงหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจของพระองค์ก็จะสงบตลอดเวลาเป็นความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุข ดูพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูหลังจากที่ทรงตัดสัูวแล้วนี่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมีแต่สมบัติอยู่แปดชิ้นคือบาทจีวรสามผืนใบมีกโกนที่โกนหนวดเข็มขัดรัดเอวเข็มกับได้แล้วก็ที่กรองนง้ำนี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าที่องค์ไม่ต้องมีอะไรเพราะ ท่านมีความสุขภายในใจของท่านโดยที่ไม่ต้องมีอะไรและท่านก็ไม่ต้องการจะมีเพราะรู้ว่ามีแล้วมันจะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไปมันจะต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่งเวลาที่เราพัดพากจากกันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราดีใจหรือเราเสียใจเราร้องห่มร้องไห้กันหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่คิดกันเวลาเกิดความอยากแล้วเหมือนกับคนตาบอดต้องรีบไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาเพราะถ้าไม่ได้แล้วมันทรมานใจแตพ่พอได้มาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับมันต่อไปเวลาที่มันเสื่อมไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันหมดไป นี่คือเรื่องของพวกเราพวกเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราก็เลยไปหาความสุขปลอมกันหาความสุขด้วยความอยากกันเพราะถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ไปหากันใช่ถ้าเราไม่อยากได้เงินเราก็จะไม่ไปหาเงินกันถ้าเราไม่อยากจะได้แฟนได้สามีได้ภรรยา เราก็จะไม่ไปหาสามีสามภรรยากันแต่เรามีความอยากกันเพราะความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าถ้าเรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีสามีมีภรรยาแล้วเราจะมีความสุขกันแล้วเป็นยังไงตอนนี้เรามีความสุขกันหรือยังเรามีทรัพสมบัติกันแล้วเรามีสามีมีภรรยากันแล้วเราหมด ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราหมดไปหรือยังมันไม่หมดมันกลับมีเพิ่มมากขึ้นซิอีกเพราะเมื่อเรามีอะไรเราก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีมีทรัพสมบัติก็ต้องทุกข์กับการดูแลทรัพสมบัติห่วงใยกังวลกับทรัพสมบัติกลัวจะหายไปกลัวจะถูกเข้ามาขโมยไปมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธดา ก็ต้องมาห่วงสามีภรรยาห่วงบุตรที่ดางมาทุกข์กับสามีภรรยาบุตรที่ดางถ้าอยู่คนเดียวจะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้แต่พวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราถูกอำนาจของความหลงคอยหลอกล่อเราให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเพื่อให้ความสุขกับเราแล้วในที่สุดก็กลายเป็นความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่ได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านได้พบความสุขที่แท้จริงก็คือการระ ง, งับดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราว่า ตอนนี้พวกเรากําลังหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกันร้องห่มร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังจะบอกว่าเราหาความสุขกันได้อย่างไรเราไปหาของที่มันจะต้องพัดพากจากเราพอเขาพัดพากจากเราเราก็ร้องห่มร้องไห้กันเราต้องมาหาของที่ไม่พัดพากจากเราของที่จะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาของนั้นก็คือการรงับความอยากต่างๆ ด้วยการทำสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรามีกำลังหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบมีความสุขแล้วพอเราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็เอาความจริงที่พระพุทธจเจ้าได้สรงค้นพบว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุข การจะนำไปสู่ความสุขก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังพอมันหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความกังวลกวาวความกระตือรือ ล, ล้นต่างๆภายในใจของพวกเราสังเกตดูเวลาเรามีความอยากนี่เราอยู่เป็นสุขไหมอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้เพราะต้องไปทาตามความอยากของเรา แต่ทำเท่าไหร่แล้วมันสุกไหมมันก็สุกเดี๋ยวเดียวสุกแล้วเดียวมันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทำใหม่เราลองมาทําอีกวิธีดูสิลองทําวิธีแบบไม่ทําตามความอยากดูแล้วดูว่าความอยากมันจะหายไปไหมเช่นเราเราอยากสูบบุหรี่เราลองอยากไปสูบมันทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราอยากไปสูบมันเดี๋ยวรับองได้ว่าความอยากสูบบุหรี่มันจะหมดไป อยากดื่มโซดาก็เหมือนกันอยากดื่มกาแฟก็เหมือนกันอยากไปเที่ยวก็เหมือนกันอยากไปช้อปปิง้งซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เหมือนกันลองฝืนมันดูลองอย่าทำมันดูแล้วก็มานั่งสมาธิแทนถ้ามันทรมานใจเราก็มานั่งสมาธิมาพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดที่จะไปทำตามความอยากพอเราหยุดความคิดที่จะไปทำตามความอยากได้ ความอยากก็จะหายไปเราก็จะอยู่เฉยๆสงบอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขได้นี่คือวิธีที่พวกเราจะต้องมาปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะทาลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรานี้ให้หมดไปจากใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะการปฏิบัตินี้ก็คือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าสู่ใจของพวกเรานั่นเองเป็นการนำเอายาเข้าสู่ร่างกายถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้ต่อให้ได้ยินได้ฟังธทมได้ศึกษาทำมามากมายขนาดไหนก็ตามการศึกษานี้ไม่เพียงพอต่อการดับความทุกข์แต่การศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ตอนนี้เราได้ศึกษาแล้วได้รู้แล้วว่าเราต้องมาฝึกทำใจให้สงบมานั่งสมาธิกันแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ต้องหยุดมันอยากไปทำตามความอยากอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากจะกินขนมก็ไม่กินอยากจะดูหนังก็ไม่ดูอยากจะฟังเพลงก็ไม่ฟังให้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่า ตอนที่ต่อสู้กับความอยากใหม่ๆมันจะทรมานใจแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งมีสติมีสมาธิเราจะสู้กับมันได้แล้วต่อไปมันจะแพ้เราแล้วมันจะไม่มายุ่งกับเราเอีกต่อไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราด้วยการดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราถ้าความอยากหมดแล้วความทุกข์ก็จะหมดไป แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ขอให้ท่านจงมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วพยายามศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านรับรองได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของท่านนี้จะต้องหมดไปอย่างแน่นอน